บัดนี้จกักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งทาตุปภ ะ, ะคือหมวดที่ว่าด้วยเรื่องธาตุนั้นในกรณีของปฐวีธาตุคือธาตุดินนอกจากปริยายที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับพระพุมีพระภาคเจ้า ยังทรงนำเอาธาตุดินไปจำแนกแสดงไว้โดยประยายอื่นอีกอย่างในทาตุวิพังเกูตรซึ่งทรงแสดงแก่ภิกษุสาติที่บวชอุทิศเจาะจงต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านผู้นี้ในวงการนักศึกษาไทยรู้จักชื่อในนามว่ากามนิต ได้เข้ามาพบกับพระพุทธเจ้าที่โรงช่างหม้อแห่งหนึ่งหลังจากสนทนากันพอสมควรแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงดำริว่าคนระบุตรผู้นี้บวชอุทิศเราเราควรจะแสดงธรรมะแก่เขาจากนั้นทรงจำแนกแสดงธาตุทั้งหกประการโดยเพิ่มอากาศาธาตุกับปัญญาณทธาตุ แ, แสดงถึงสิ่งที่เป็นเครื่องผูกพันใจของบุคคลทั้งสิบแปดประการโดยเฉพาะในกรณีของธาตุดินนั้นได้ทรงเชื่อเห็นว่าร่างกายของคนเราส่วนที่แข็งแข็งต่างๆอันปรากฏอยู่ในกายนี้ มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไ ส, ส้น้อยหันใหม่หันเก่าจนถึงมันสมองเป็นพวกธาตุดินซึ่งบุคคลจะต้องรู้ถึงความจริงแห่งธาตุเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะถ้าหากว่าเกิดความไม่รู้ก็จะมีการกำหนดหมายในลักษณะที่เรียกว่าเป็นอัตสัญญา ก็คกำหนดหมายว่าเป็นสัตว์เป็นสัตตะสัญญากำหนดหมายว่าเป็นสัตว์เป็นอตตสัญญากำหนดหมายว่าเป็นตนเมื่อมีการกำหนดหมายว่าเป็นตนก็จะมีของตนมีพวกตนมีความเป็นของตนมีตัวมีตนเป็นตนเวลากำหนดหมายว่าสัตตะสัญญาก็จะจำแนกออกไปในลักษณะเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นใจของบุคคลก็จะเกิดกำหนดหมายในสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสแ่งตนเมื่อกี้มีการกำหนดหมายก็จะมีการรู้สึกผัสสะคือ ก, การกระทบความรู้สึกของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบ ในกรณีที่เกิดกำหนดกำหนดหมายว่า ด, ดีสุขสัมผัสก็เกิดสุขเวทนาก็เกิดในเวลานั้นบุคคลจะมีความรู้สึกว่าตัวกำลังมีสุขเป็นสุขสวยสุขอยู่และจะเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่ในความสุขตอนั้นแต่พอตัวความสุขเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีความโธมนัตเสียใจ รารนาขวายคว้าที่จะแสวงหาความสุขเพิ่มเติมขึ้นหรือให้กลับมาแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกชิงชังต่อสภาวะที่ตนกาลังเผชิญอยู่เพราะความสุขนั้นเสื่อมไปเมื่อมีการกำหนดหมายในลักษณะที่ไม่น่าพอใจเวลารูปเป็นต้นผ่านมาทางตาสุขเวทนาก็บังเกิดขึ้นทุกเวทนาก็บังเกิดขึ้น ความอึดอัดความไม่ยินดีไม่พอใจในสภาวะที่กำลังเผชิญอยู่ก็บังเกิดขึ้นทุกขโทมานัตที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นติดตามมาการดำรงชีวิตอยู่ในขณะนั้นเป็นที่ไม่ยินดีไม่ปรารถนาของบุคคลนั้นพอตัวทุกเวทนาเสื่อมสลายไปมีความสุขปรากฏขึ้น ก็มีการสนุกสนานมีความเพลิดเพลินยึดจิตอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแต่การมนุษการคือการให้ความใส่ใจสนใจในอารมณ์เหล่านั้นไม่มากพอสัมผัสเวทนาก็จะมีลักษณะที่เป็นกลางๆออกมาก็กลายเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าอทุกขกมาสุ ข, ออขเวทนาคือเป็นทุกข์ก็ไม่เชิงเป็นสุ ข, ขก็ไม่ใช่ จิตใจของบุคคลก็จะสายไปเพียงเล็กน้อยแต่ในขณะเดียวกันก็ไขว่คว้าสิ่งทีเ่เป็นสุขอยู่ด้วยซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะอันหมายความมาก่อให้เกิดความบนเวียนในด้านความรู้สึกนึกคิดที่เกี่ยวกับสิ่งซึ่งไปกาหนดหมายว่าเป็นตนเป็นของตนหรือเป็นพวกตน ข้อ น, นี้เพิ่งเห็นได้ว่าการกำหนดหมายของบุคคลมีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อจิตใจของบุคคลเป็นนั้นมากถ้าหากว่าหยุดการกาหนดหมายเสียบ้างถอนคลายการกาหนดหมายเสีบ้างหรือบรรเทาการกาหนดหมายเสียบ้างความร้าร้อนรุนแรงต่างๆก็จะบรรเทาลงไปด้วยเช่นเดียวกันข้อ น, นี้เพิ่งเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นข่าวคราวผ่านมาทางสื่อสารมวลชนเป็นต้นหรือแม่แต่สิ่งที่พวกเห็นบนถนนทัทางนั้นตราบใดที่ใจยังไม่ไปกําหนดหมายด้วยอัตสัญญาว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราความรู้สึกในทางไม่พึงปรารถนาหรือเป็นโสกะปริเทวะก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ยามใดที่ใจเกิดไปกําหนดหมายเข้าความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะเกิดขึ้นตามลักษณะของอารมณ์ ที่มากระทบและใจของบุคคลไปกาหนดหมายข้อนี้เป็นเครื่องเชืหอเห็นถึงว่าถ้าเริ่มที่ตรงนี้เริ่มที่การกำหนดหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราเป็นพวกเขาขึ้นมากระบวนการความรู้สึกก็จะเดินมาในแนวนั้นและในขณะเดียวกันก็เคาะเชื้อเอาไว้ภายในใจก่อให้เกิดเป็นภาพ เป็นกามธาตุคือเชื้อของความใคร่พอใจในอารมณ์ที่เป็นสุขเวทนาเชื้อของพยาบาทธาตุคือเชื้อของความพยาบาทที่เกิดขึ้นจากการกําหนดอารมณ์ในลักษณะไม่พึงปรารถนาและจะมีความรู้สึกชิงชังต่ออารมณ์ในลักษณะนี้แม้ที่ยังไม่เกิดในขณะเดียวกันก็จะขวายคว้าปรารถนาอารมณ์ที่มีเชื้อของกามธาตุ คือความรักใคร่พอใจอยู่ใจของบุคคลก็จะสายไปตามแนวของสิ่งที่ทรงใช้คำว่าอาภิชาและโถมนัตในมหาสติปัฏฐานแต่ถ้าหากว่าบุคคลสามารถพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเท่าทนั้นเอง ไม่ได้มีความเป็นสัตว์ไม่ได้มีความเป็นบุคคลไม่ได้มีความเป็นตัวตนเราเขาเป็นแต่เป็นการเกาะคลุมของดินน้ำลมไฟเป็นต้นต่งางๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นเวลาประสบกับสิ่งที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นก็จะเป็นเพียงสัคเทวรูปสัคเทวเสียงสัคเทวกลิ่นสัคเทวรสสัคเทวสัมผัส กระบวนการคือเวทนาเองก็ไม่มีอะไรมากแล้วไม่เลเป็นปัจจัยให้เกิดตันหาในลักษณะที่รุนแรงดังนั้นในพระุทาตุกสุตซึ่งทรงแสดงเรื่องาธาตุํานองเดียวกันและทรงเชี่อเห็นว่าความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลในลักษณะที่มองเห็นความเป็นาธาตุของสรรพสิ่งนั้น ชื่อว่าเป็นพูดถึงบูนถึงพร้อมโดยทิฏฐิหรือสมบูรณ์โดยทิฏฐิรปลว่าสมบูรณ์ด้วยความเห็นที่ถูกตรงตามหลักแห่งสัจธรรมท่านที่ถึงพร้อมด้วยความเห็นในลักษณะนี้สามารถแยกอะไรได้อย่างเด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกธรรมะในสองระดับคือระดับสมมติสัจจะกับระดับปรมัตารสัจจะนั้นเป็นความจําเป็นมาก และบุคคลจะต้องเข้าใจว่าจุดใดเป็นสมมติจุดใดเป็นปรมัทิตย์ไม่นํามาใช้สับสนปนคราสกันเพราะถ้าเกิดปนครากันในวันใดก็ยุ่งเหมือนกันอย่างในกรณีที่เกิดเรื่องราวขึ้นในก่อนพุทธกาลสงครามมหาภารจะยุทดแท้แตยิงก็สอนให้กําหนดหมายในลักษณะที่เป็นธาตุว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากเรา ว, ว่างจากเขา แต่ไม่ได้ศึกษาในแง่ของสมมติสัจจะซึ่งมีบุญมีบาปมีสังสารวัฏมีกิเลสมีกรรมอยู่ทำให้บุคคลเหล่านั้นใช้ความคิดที่มองเห็นคนศักเต์วทาตเอามาเป็นเครื่องมือในการประหัสประหารกันโดยมีการสอนมีการสาธยายมีการชี้แจงให้เห็นว่าที่จริงมันก็ศักเต์วทาต รวมใหญ่คนแต่ละคนก็เป็นธาตุคู้สึกสงครามทั้งสองฝ่ายก็เป็นเพียงธาตุอาวุธที่ใช้ในสงครามก็เป็นเพียงธาตุแล้วผู้ฆ่าก็เป็นเพียงธาตุผู้ถูกฆ่าก็เป็นเพียงธาตุดาบก็เป็นเพียงธาตุเพราะงั้นธาตุแทรกเข้าไปในธาตุจึงไม่มีบาปไม่มีบุญอะไรนี่กลายเป็นอะไรเป็นอุเฉทจิติเป็นวิชาทิฏฐิที่ทางพระพุทธศาสนา ได้ตำหนิไว้ตั้งแต่ต้นคือเริ่มต้นก็ได้ตำหนิในเรื่องหล่อนี้เอาไว้เพราะอะไรพระฐานของโลกนั้นมีอยู่สองฐานฐานที่เป็นสมมติจะต้องยอมรับในแง่ของสมมติทุกกรณีไปพระบุตรพระพักเจ้าและพระหันทั้งหลายนั้นโดยสภาพพระไทัยและสภาพจิตแล้วก็เป็นโลกุตรจิต แต่ในชั้นของการเกี่ยวข้องกับโลกพระพุทธเจ้าใช้กามาวจรจิตผูจาปราศัยด้วยโลกกรโวขันภาษ า, าโลกโดยโล ก, กสมมติคือการกำหนดหมายของโลกโล ก, กสมมัญญาการตกลงในเงื่อนไขต่างๆของโลกซึ่งพูดโดยสำนวนบาลี้นใช้คำโล ก, กาโนวัดคือคล้อยตามโลก จะเป็นความคล้อยตามในลักษณะไม่ยึดไม่ติดอะไรไม่มีเหตุจะไปถกเถียงกับคนอื่นในกรณีเหล่านั้นเพราะเป็นเรื่องสมมติก็คือสมมติจะเห็นได้ว่าอย่างในกรณีของพาะเชนฐาสมัยพระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างบาทรเพราะบาทนั้นก็แล้วแต่ท้องถิ่นท้องถิ่นหนึ่งอาจจะเรียกว่าบาตท้ทองถิ่นหนึ่งอาจจะเรียกว่าปัตตะ ท, ท้องถิ่นหนึ่งอาจจะเรียกว่าธารณะ ท้องทิ่งอื่นๆก็อาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นนั่นเป็นเพียงโลกกสมัญญาคือการกําหนดหมายของชาวโลกขอให้รู้เข้าใจว่าเรื่องนี้เขาเรียกอย่างนั้นกําหนดหมายกันอย่างนั้นใช้ไปในกรณีเหล่านั้นเท่านั้นเองไม่นําไปเป็นเรื่องถกเถียงกันแต่ในชั้นของความจริงที่แท้จริงคือเป็นส่วนของปรมัตา์ก็เป็นส่วนของปรมัตา์ดังนั้นการมองเรื่องของธาตุ บางตอนจึงทรงสุ ด, ดงในแนวของปรมัติ์คือความจริงที่แท้จริงเพื่อถอนอะไรเพื่อถอนอันตรสัญญาสัตสัญญาดังกล่าวแล้วที่มีอยู่โดยทั่วไปแต่ว่าถอนเฉพาะใจตัวเองไม่ไปถอนสมมติของโลกเขาไม่ใช่ไปทำลายพิธีกรรมต่างๆที่เขาเชื่อถือกันข้อประพฤติปฏิบัติกันแม้จะเข้าไปร่วมกิจกรรมเขาเหล่านั้นก็ร่วมกันได้ ใครจะตั้งสารประภูมิก็ไม่ไปดาครับก็เรื่องของเขาเป็นเรื่องของเด็กอนุบาลเป็นเรื่องของคนที่จะต้องมีราวเกาะจะต้องเล่นตุกก๊กตาก็เป็นเรื่องของเขาแต่ในขณะเดียวกันก็รอคอยวุฒิภาวะคือความเจริญในด้านต่างๆของเขาก็พร้อมที่จะแนะนำชี้แจงสิ่งที่ดีกว่านั้นสิ่งที่เหนือกว่านั้นโดยไม่ได้ไปทำลายสิ่งที่เขาไปยึดไปถือจุ ก, กอ่อน ถ้าจะเลิกก็เป็นความพร้อมของเขาเองก็เห็นผลเห็นอานิสง์ของสิ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่าแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เกาะที่ยึดที่จิตอยู่ไปประพฤติปฏิบัติในหลักที่สูงส่งกว่านั้นันเป็นความสมัครใจเป็นความพร้อมเป็นความยินยอมเป็นความศรัทธาของบุคคลเหล่านั้นงนั้นการที่ทรงสอนให้มองเห็นว่าเป็นสัจธรมธาตุ จึงเป็นความจริงที่แท้จริงแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็สามารถใช้ประโยชน์ในระดับหนึ่งจากความรู้ความเห็นเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของอารมณ์ซึ่งการสอนแนอุปมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้มากมายอย่างทรงสอนให้ภิกษุพิจารณาว่าตัวเองก็เหมือนกับผ้าพเปพื้อนทุลีหรือเหมือนกับโคผู้ที่เขาหักแล้ว ก็เป็นการสอนแนวที่ต่ำกว่าสอนเรื่องท่าเพราะอะไรเพราะไม่ต้องใช้ปัญญาพิจณามากนะก็เห็นได้ผ้าเปื้อนทุลีคือผ้าเช็ดเท้าเป็นต้นนอกจากเขาเช็ดเท้าแล้วก็อาจจะเช็ดอย่างอื่นก็ได้ก็เป็นเรื่องของเขาไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายอยู่ในผ้านั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวข้องกับสังคมก็ต้องมีความรู้สึกในลักษณะเช่นเดียวกัน ไม่จะไปเพ่งเรงไปมุ่งหมายปรารถนาความยกย่องสรรเสริญเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเราอยู่ในกระแสของโลกในสังคมของโลกชีวิตจิตใจของบุคคลก็แตกต่างกันพื้นฐานอัธยาศัยของคนก็แตกต่างกันความรู้สึกต่อการกระทาอย่างหนึ่งแม้เราจะมีความรู้สึกว่าถูกต้องดีงามอย่างไรก็ตามจะมีคนบางพวกจะไม่เข้าใจอยู่ด้วยไป ก็จะทำหนิตีเตียนดาวว่าด้วยประการต่างๆแต่บุคคลก็ต้องทำตัวให้ได้เหมือนกับผ้าเช็ดทุลรียนผ้าเปื้อนทุเรียโดยไม่ให้มีความยินดียินร้ายบังเกิดขึ้นเพราะความยินดีก็เพิ่มกิเลสสายโลภะราคะความยินร้ายก็เพิ่มกิเลสสายโทสะแต่ละอย่างนั้นเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของโมหะหรืออวิชชาให้สูงขึ้นภายในจิตใจ หรือแม้แต่โคผู้ตัวเขาหักก็มีลักษณะอย่างนั้นก็เป็นการสอนให้เห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยว่าธรรมดาว่าโคผู้ตัวเขาหักนั้นไม่พร้อมที่จะชนกับใครเพราะไม่มีเขาคนเราก็ลักษณะเช่นเดียวกันไม่พร้อมที่จะไปประหาดประหารที่จะต่อสู้ที่จะด่าว่าอะไรกับใครเวลาเกิดความโกรธก็บันเทาความโกรธข่มความโกรธระ ง, งับความโกรธเอาไว้ไม่รู้อานาจแก่ความโกรธที่บังเกิดขึ้น การสอนในแนวดินก็สอนในลักษณะอย่างนั้นอย่างที่เคยกล่าวมาในวันก่อนว่าที่จะทําทใจเสมอด้วยแผ่นดินใช้คําคว่าปัตตวีสมโอคือเสมอด้วยแผ่นดินไม่ว่าใครจะทิ้งของสะอาดหรือของสกปรกจะสั ก, การะบูชาหรือจะอะไรก็ตามก็ไม่มีทั้งความยินดีและความยินไร เพราะอะไเพราะจิตใจของคนที่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงสับสนว้าวุ่นนั้นเกิดจากความยินดีกับความยินร้ายเท่านั้นเองถ้าไม่มีสองอย่างนี้ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแต่โดยมากแล้วก็จะแกว่งไปเรื่องของความยินดีกับความยินร้ายยินดีก็ไม่หยุดอยู่แค่ที่ยินดีจะข่อยคว้าในส่วนชียินดี พอยินร้ายก็ไม่หยุดในเฉพาะส่วนที่ยินร้ายมุ่งที่จะทำลายล้างผลาญถึงต้นต่อที่เป็นเหตุแห่งความยินร้ายเวรภัยต่างๆจึงเกิดขึ้นในโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยการสำรวมระวังใจของบุคคลที่ทรงสอนในแนวดินก็ลักษณะอย่างนั้นกรนี้เ่งเห็นได้ว่าอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็าตามมันก็มีอยู่เท่านั้นเอง กนรูปเสียงกินรสผลิตภัณฑ์ธรมารมเท่านั้นตัวของเขาเองนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะพระอริยเจ้ากับสามัญชนเห็นรูปอย่างเดียวกันราชามหากษัตริรย์าโฉกก็เห็นรูปอย่างเดียวกันนักปรากับคนพานก็เห็นรูปอย่างเดียวกันแต่ตัวการสําคัญอยู่ที่ใจใจของบุคคลซึ่งไปกําหนดหมายโดยในญยาติที่ทรงแสดงไว้นั้นคือถ้ามีการกําหนดหมายผิด ทังกระบวนการมันก็เริ่มที่ผิดแต่ถ้ามีการกําหนดหมายถูกต้องตามตํานองครองธรรมปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่ฐานานุรูปแก่กรณีที่บังเกิดขึ้นก็สามารถใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างที่ทรงแสดงไว้ในโล ก, กธรรมสูตรได้รับสั่งถึงโล ก, กธรรมทั้ง8ประการที่ครอบงําชีวิตจิตใจของชาวโลกอยู่แล้วไม่มีใครรอดจากตาข่ายยักษ์นี้ไปได้ คือจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับโลกกระททั้งแปดคือราบมีราบเสื่อมราบมียศเสื่มยศสันเสริญนินทาสุขทุกจะต้องไม่หักไปในด้านใดด้านหนึ่งคือจะต้องเจอไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีสองอย่างคือพวกค่ายเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกเป็นพวกที่เรายินรายคือไม่พอใจ ลาบยศสันเสริญสุขก็เป็นพวกที่ยินดีคือพอใจรักใคร่ปรารถนาก็าหากไปหากมากันอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตพระรีเจ้าเองก็เป็นเช่นนั้นคือเห็นเรื่องเหล่านั้นเหมือนกันประสบกับลาบยศสันเสริญ ส, สุขเหมือนกันประสบก็เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกเหมือนกันแต่อะไรเป็นตัวสําคัญ สภาวะใจที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญโดยทรงแสดงเห็นว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดดับไไม่ไ้ศึกษาธรรมของพระอรยิยเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไม่ได้กําหนดใจเอาไว้ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอาจจะรู้ในจุดนั้น แต่ไม่ได้มองให้เลยไปว่าสิ่งเหล่านี้โดยสภาพแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่ได้มองให้ไกลขึ้นไปจากนั้นเวลาลาบเกิดขึ้นก็คิดว่าลาบจะอยู่กับเราตลอดกาลแล้วนังนเวลายศก็คิดว่ายศจะต้องอยู่กับเราตลอดไปจะมีการตั้งความปรารถนาที่ใจลาบเกิดขึ้นแกเรามากๆให้ยศเกิดขึ้นแกเราโดยมากๆความสุขเกิดขึ้นแกเราโดยมากๆเป็้น แล้วก็จริงแล้วมันเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะพวกนี้เป็นสภาวะธรรมที่ตกอยู่ในเ่งกันขของใจรักษเช่นเดียวกับบุคคลซึ่งประสบกับโลกธรรมก็เป็นสภาวะธรรมซึ่งก็อยู่ในเ่งกันขเดียวกันจะตกอยู่ในสภาพใจรักไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุตรชนเหล่านั้นพอประสบกับเรื่องเหล่านี้ก็จะชื่นชมยินดีในอารมณ์อันกําหนดหมายว่าน่าชื่นชมยินดี จะทุกโทมนัตในอารมณ์ซึ่งใจไปกาหนดหมายว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัตทำไมจึงพูดถึงกาหนดหมายกรนีใจเห็นได้ว่าถ้าใจเราไม่กาหนดหมายแล้วไม่มีอะไรมันเหมือนกับการปรุงคิดคิดปรุงของบุคคลที่เดินไปในทางเปลี่ยวเป็นกาหนดหมายต้นไม้ก็ได้เสียงนกร้องก็ได้นกร้องก็ได้ลมพัดก็ได้ให้เป็นผีหลอกปเดี๋ยวก็หลอก แต่ถ้าไปกันเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรต้นไม้ก็คือต้นไม้นกร้องก็คือนกร้องลมพัดก็คือลมพัดก็เท่านั้นเองแต่ใจไปกําหนดหมายให้เป็นผีก็ได้ให้เป็นเพื่อนก็ได้ถ้ากําหนดเป็นผีก็ตกใจกําหนดเป็นเพื่อนก็เดินเดินสบายเป็นสุขดีรู้สึกกลมีเพื่อนอยู่มีเสียงเท่านั้นเป็นเพื่อนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกําหนดหมายวันเวลาได้ยินเสียงนกร้องคนวิ่งหนีก็มีคนหยุดฟังก็มี อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินกลางคืนได้ยินเสียงนกข้าแมวคนวิ่งหนีก็มีแต่คนหยุดความก็มีแล้วเดินไปเฉยๆก็มีการกําหนดหมายจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญมากบุคคลที่ได้สดับจากความธรรมของพระเรยเจ้าเป็นอย่างไรสิ่งเราเนิ่เกิดขึ้นแก่ท่านเช่นเดียวกันแต่พอเกิดถ้าท่านมองท่านปปรุปปรงไปได้ตลอดสายเลยพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เรา แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาเกิดก็เกิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่แปรปรวนก็แปรปรวนเพราะมันเป็นเพียงสักแต่ว่าลาบสักแต่ว่ายศสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าสัเนเสริญหรือสักแต่ว่าเสือ่อมลาบเสือ่อมยศเท่านั้นเองใจท่านไม่ได้ไปยศไปถือเอาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่ตั้งความหวังอะไรไว้ไม่ได้ เนื่องจากตัวเองก็ตกอยู่ในสภาพที่หวังอะไรไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็หวังอะไรไม่ได้ตกอยู่ในกระแสของธรรมดาไปทั้งหมดนี่คือการมองในรูปธาตุงา่ายเรียกง่ายหนึ่งนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ในระดับพื้นพื้นคือการเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งสี่ประการอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุกผมยากแก้ไข ก็ทรงสอนให้มองในแง่ของธาตุเป็นเพียงศักท์แต่ว่าธาตุนิสัตโตไม่ใช่สัตว์นิชีโบไม่ใช่ชีวะสุญโย ว, ว่างไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าจากเราจากของเราจากตั ว, จ า, ตวจากตนของเราจากความอร่อยจากความไม่อร่อยถ้าไปกาหนดหมายเช่นนั้นได้เวืจะรับประทานอาหารก็จะรับประทานในลักษณะที่ทรงใช้คำว่ายาปนามะตัง คือยังชีวิตได้เป็นไปได้อาหารอะไรก็ตามที่สามารถบรรเทาความหิวได้กจัดเวทนาที่บังเกิดขึ้นได้ให้ร่างกายมีเรียบแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็รับประทานไปอิ่มๆทรงใช้คำว่ยาปนน้มันตังคือให้อัตภาพเป็นไปผููเป็นสำนวนปัจจุบันว่าอะไรก็ตามพอสําเร็จประโยชน์ก็ใช้ได้ไม่ไปติด ในรูปแบบในการในไปปรุงรสปรุงกลิ่นปรุงอะไรต่างๆกันจนเดือดร้อนทรงสอนให้มองเป็นรูปธาตุหมดธาตุมัตเตโกนิสตโตนิชีวะสนโชสักแต่ว่าธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะเป็นของที่ว่างแม้แต่ตัวธาตุเองพอย่อยข้าแปบมันก็ว่างมันเป็นอนุเป็นปรมณโไปไหน เป็นความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะนครูคือดินที่ทรงแสดงไว้โดยอเนกกระปรีย้ยนั้นจะพบว่าถ้าใจมีสติมากพอมันก็เหนียวนึกเอาในกรณีกระทบกับอารมณ์แรงๆคนด่าว่ามันก็มองในแง่ของธาคือดินด่าว่ารูปร่างหน้าตาของเราที่จริงก็ดินชัดๆ ถ้ไม่มีปัญหาอะไรใจก็หยุดปรุงตั้งแต่นั้นไม่ได้เพิ่มปริมาณของกิเลสให้สูงขึ้นถ้ากิเลสเกิดเผาก็เผาเฉพาะคนที่ดา่าไม่ได้ลุกลาไมไหมมาถึงเราแต่ถ้าหากว่าใจไปกําหนดว่าเราว่าของเราเขาด่าเราก็ เ, าเป็นอันตรายเราตอนเราต่อพวกของเราเป็นต้นใจก็จะเอื้อมเข้าไปรับ แลในที่สุดก็มีการด่าต่อประหารต่อประทุษร้ายต่อมีการต่อสู้มีการหักหานทำลายล้างกันการอยู่ร่วมกันภายในสังคมก็หาความสงบหาความสุขไม่ได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงจึงเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาและปริยายของดินนั้นสามารถที่จะสอนได้ไปเรื่อยๆจนมองเป็นสภาพของความว่างเปล่าไม่มีอะไร อย่างที่สอนให้พระโมกขราชมองว่าดุกอนโมกขราชเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าถอนอัตตาโนทิจิคือความเห็นว่าเราว่าตนออกไปเสียแล้วจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมัจจุราชมัจจุราชอีกต่อไปดังนั้นโลกที่ประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสจึงมีดินเป็นส่วนใหญ่นั่นคนที่อยู่ในโลกและเกี่ยวข้องกับโลกอยู่นั้น จึงมองโลกในสองสายได้แก่สายหนึ่งเป็นทางแห่งความรุ่มหลงความมัวเมาความกำหนัดความขัดเคืองทางหนึ่งเป็นทางของท่านผู้รู้ที่ไม่มีความยึดความติดมีความโปร่งมีความเบาสบายปรากฏขึ้นภายในจิตอย่างที่พระพุะาคเจ้ารับสั่งเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนมาทัศนาโลก ว่าสูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุจราชรุธที่พวกคนเขาข้องอยู่ทำไมจึงตราการดยดุจราชรุธก็เพราะดินน้ำลมไฟผสมกันอย่างมีสัดส่วนมีการตกแต่งมีการกาหนดหมายมีการประดับประดามีการยอมรับกันมันก็ดูตราการดุจราชรุธก็ทำให้คนที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นก็หลงก็จิดก็จิตจ แจะทรงแสดงกลุ่มที่สองว่าแต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไหมซึ่งก็หมายความว่าโลกอันเดียวกันนั้นถ้ามองด้วยความไม่รู้ก็ข้องก็ติดก็หลงแต่ถ้ามองด้วยความรู้ก็ไม่ข้องไม่ติดไม่หลงแทนที่จะถูกโลกครอบงําก็จะเป็นผู้ครอบงําโลกแต่ถ้ายังไม่รู้ก็จะถูกโลกครอบงํา และจะต้องสายไปในวิสัยของโลกในอารมณ์ของโลกตุกอารมณ์เหล่านั้นจุดกระชากลากพาไปภายใต้อำนาจแห่งตนถึงต่งางก็มีความรุนแรงก็สร้างเหตุที่ก่อให้เปิดเกิดผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนอันตรายต่างๆพฤติกรรมของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ก็มีปรากฏให้เห็นอยู่ทุกยุคทุกสมัยต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป